วันนี้เรามาจำลึกถึงคุณและคำสอนของหลวงพอ่อนะโดยปรารบเนื่องในวันแคร์วันเกิดของท่าน12สิงหาคมเราก็เริ่มเดินตั้งแต่สารานานะแล้วก็ไปกราบหลวงพอ่ออัธิท้าของหลวงพอ่อนะที่ธรรมจักรนะลาหินโค้งแล้วก็เดินวกกลับมา ที่สาระไก่แล้วก็จะสิ้นสุดนะที่กุฏิของหลวงพ่อแลเส้นทางที่เราเดินผ่านมาสักครู่เนี่ยนะมันก็มีเรื่องราวนะมากมายเกี่ยวกับหลวงพ่อมีหลายจุดนะที่ชวนให้เราเระลึกถึงว่าหลวงพ่อท่านตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านทำอะไรบ้างนะ บางจุดก็ทำให้เรานึกถึงว่าเนี่ยท่านมาปลูกต้นไม้บางจุดก็ลึกรึกถึงนะท่านยามที่ได้มารดต้นไม้แล้วก็บางจุดก็ทำให้เราเราลึกถึงคำสอนของท่านเรื่องการมีสติเรื่องความรู้สึกตัวเรื่องการเรียนธรรมะจากธรรมชาติถ้า เราได้ย้อนระลึกนะก็จะสามารถจะเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนะในด้านต่างๆชีวิตความอยู่ของท่านไม่ว่าจะเป็นการเดินการยืนการนั่งการนอนที่เป็นไปอย่างมีสตนะิบางจุดนะก็ทำให้เราลึกถึงคาสอนของท่านเช่นอ๋อไตรนะที่ท่านมาแสดงธรรมอยู่เป็นประจำ จนกระทั่งในช่วงหลังๆท่านก็เว้นไปซะเ mm hmm. <ะ>พราะว่าอาภาตที่จริงตุนนี้นะสารากายก็เหมือนกันนะท่านก็ก็เคยมาแสดงธรรม mm hmm. ที่เรียกว่าใช้เวลาในการแสดงธรรมที่สารากายไม่ใช่น้อยทีเดียวนะแต่ว่าสารากายสมัยก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นสารากายรุ่นที่สามแล้วนะรุ่นแรกรุ่นที่สองนี่ท่านก็มาแสดงธรรม เป็นประจำเพราะว่าแต่ก่อนเราทำวัดเชา้าวัดเย็นกันนะตรงสาระไก่นี้นะเส้นทางที่เราเดินผ่านนะก็เตือนใจให้เรารึกถึงนะว่าหลวงพ่อท่านอยู่อย่างไรนะทำงานอย่างไรทำอะไรไปบ้างนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบอย่างให้กับการปฏิบัติและการดำเนินชีวิตของเราแต่ว่าหลวงพ่อท่านไม่ได้ทำเท่านั้นนะ ในยามที่ท่านป่วยใ น, ในยามที่ท่านอาพาธนะแม้ว่าท่านจะพูดไม่ได้นะแต่ท่านก็เขียนนะท่านก็สอนนะด้วยหลายวิธีนะทั้งโดยการเขียนข้อความใส่กระดาษให้ลูกศิษย์ไปอ่านกันเรียกว่าบันทึกยามอาพาธรวมทั้งแสดงให้เราดูนะในช่วงที่ท่านไม่สามารถจะพูดได้นะี่ แม้ว่าเราจะไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงของท่านเลยนะแต่ว่าท่านได้แสดงธรรมให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลานะไม่ใช่เฉพาะกับลูกศิษย์ที่ดูแลท่านนะแต่ก็รวมถึงผู้ที่มาเยี่ยมเยียนท่านนะหรือว่าได้รับฟังข่าวคร า, าวเกี่ยวกับท่านด้วย <c oughs> เ, เหต น, นี้เนี่ยนะจึงดีดำรีให้จัดทาพิพิธภัณฑ์ขึ้นจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้น พิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยก็มีส่วนส่วนหนึ่งก็สะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนะที่ถ้ามาไฟหวานเนี่ยก็จะมีพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อนะที่ทำให้เราได้รู้ว่าท่านอยู่อย่างไรแลนะท่านได้มีได้ทำอะไรไปบ้างนะก็เห็นได้บางส่วนจากพิพิธภัณฑ์ที่วัดภูเขาทองนะซึ่งก็กำหนดจะเปิดในวันที่ยีนะ่สามนั้นยีสามนี้ อีกส่วนหนึ่งก็ก็ได้มาเห็นแล้วนะจากหลายหลายจุดที่เราได้เดินผ่านนะต่อไปก็จะทำประกาศหรือว่ามีการเขียนข้อความว่าจุดนั่นจุดนี้เนี่ยท่านหลวงพ่อด้านได้ทำอะไรบ้างนะหรือว่าท่านอยู่ตรงไหนบ้างนะแต่นั่นแนอกเหนือจากเรื่องว่าอยู่อย่างไรทำอะไรแล้วเนี่ย ท่านป่วยอย่างไรก็สําคัญนะรวมทั้งว่าท่านตายอย่างไรนะก็เป็นคติสอนธรรมให้กับเราได้ไม่น้อยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราก็เริ่มต้นเดินมานะตั้งแต่เราก็ได้มาเห็นจุดที่ท่านทําได้อยู่อย่างไรตอนนี้เราก็จะได้เราก็มาสิ้นสุดตรงที่ว่าจุดที่ท่านนะได้ป่วยแล้วก็ได้ทิ้งสังขารไว้ ทิ้งสรีระของท่านไว้ตรงนี้นะพิพิธภัณฑ์เนี่ยอันนี้เนี่ยจะไม่ได้เน้นถึงเรื่องตัวท่านนะแต่จะเน้นถึงธรรมะนะที่ท่านได้ถ่ายทอดทั้งด้วยคำพูดแล้วก็ได้แสดงให้เราดูนะโดยเพราะสิ่งที่เป็นสาระหรือว่าหัวใจคำสอนของท่านนะซึ่งได้สรุปเรื่อประโยคที่ว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรนะอันนี้เรียกว่าเป็น เป็นหัวใจคําสอนของหลวงพ่อซึ่งเราคงจะไม่ได้พบนะจากคําสอนแบบนี้ในครูบาอาจารย์ท่านอื่นเนื้อหาสาระจะเหมือนกันแต่ว่าการใช้ถ้อยคําไม่เหมือนกันหลวงพ่อท่านในช่วงระยะหลังแท้ก็จะเขียนแล้วก็พูดว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรแล้วก็มันไม่ใช่แค่คําพูดนะแต่ว่าท่านได้ทําให้ดูนะในยามที่ท่านป่วยด้วยนั่น ว, ว่าแม้ว่าท่านป่วย นะมีความทุกขเวทนามีความปวดมีทุกขเวทนาทางกายนะแต่ว่าใจท่านไม่ได้ทุกข์ด้วยนะหลวงพ่อท่านก็พูดและเขียนอยู่หลายครั้งว่าท่านอยู่กับความไม่เป็นอะไรกับอะไรนะบางทีท่านก็บอกว่าอยู่กับความว่างนะแต่ว่าส่วนใหญ่ท่าน ใ, นใช้คำว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรนะซึ่งก็มีความหมายง่ายๆว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นกับอะไรที่เกิดขึ้นกับกายและใจ ไอ้คำว่าอะไรนี่ก็หมายถึงสิ Allah, is, ส่งที่เกิดข life, succeed, ึ้นกับกายและใจหรืออาการที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจกับรูปกับนามก็ไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งอีกความหมายนึงคือว่าภาวะที่ไม่มีทุกข์แล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นนะถ้าไม่เป็นอะไรไม่เป็นแม้กระทั่งผู้ป่วยนะก็ไม่ทุกข์นะความปวดมีแต่ไม่มีผู้ปวดความเจ็บป่วยมีแต่ไม่มีผู้เจ็บป่วย อันนี้หลวงพ่อท่านก็แสดงให้เราดูแล้วก็อยู่ให้เราเห็นในช่วงที่ท่านอ า, าพาธทั้งที่ระหว่างที่ท่านารักษาตัวที่ท่านมาไปหวาน แ, แล้วก็ที่ท่านมาใช้ช่วงสองเดือนสุดท้ายนะที่นี่ที่กุฏิหลังนี้นะเพราะนั้นเนี่ยจึงมีความสำคัญนะที่จะาทากุฏิหลังนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์นะ เพื่อที่เราจะได้มาเรียนรู้ว่าการป่วยเนี่ยเราควรจะป่วยอย่างไรไม่มีใครหนีความป่วยพ้นวันนี้เรายังมีเรี่ยวแรงมีกำลังวังชามาตรงนี้นั่งตรงนี้ได้แต่วันหน้าเราก็คงจะนั่งไม่ไหวเดินไม่ได้ก็ต้องนอนเพราะว่าทุกมันแสดงตัวนะให้เราเห็น จนไม่อาจควบคุมได้อย่างมากก็ได้แต่เยียวยาบรรเทาแต่แม้ว่ากายจะทุกข์อย่างไรเนะ่ะใจไม่ทุกข์ก็ได้หลวงพ่อท่านก็สอนเรานะด้วยคําพูดและการกระทําตอนที่ท่านอยู่ท่านมีสุขภาพดีท่านก็อยู่ยังมีสติเวลาทํา ง, งานท่านก็ทํา ง, งานยังมีสตินะเวลาป่วยท่านก็ป่วยอย่างมีสติแล้วก็อยู่ด้วยปัญญาด้วยนะอ่อด้วยเหตุ น, นี้เนี่ยพิพิธภัณฑ์ไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยนะจึงจะเน้นนะ ถึงช่วงช่วงชีวิตของท่านสองสามเดือนสุดท้ายนะที่ท่านมารักษาตัวที่กุฏิหลังนี้นะแล้วเมื่อเราได้มาได้มาดูนะก็ให้เราได้ไม่เพียงแต่รู้ว่าเออตรงนี้ท่านนอนอยู่นะไม่เพียงแต่จะรู้ว่าเออนะมะีห้องพักที่ท่านจำวัดในยามอาพาธเป็นอย่างไรเนี่ย อันนั้นมันรูปธรรมนะมันไม่สําคัญกับเรามากเท่ากับว่าตอนที่ท่านป่วยเนี่ยนะท่านรักษาใจอย่างไรนะท่านมองความทุกข์ความเจ็บป่ปวยอย่างไรนะนะหลวงพ่อทานก็มองมันเป็นธรรมดานะตะาตาเป็นเช่นนั้นเองนะความป่วยของท่านก็เป็นเช่นนั้นเองนะและความตายนะก็เป็นเช่นนั้นเองเหมือนกันนะไม่ได้ไปดิเสษไม่ได้ผักใสนะ พร้อมรับความตายทุกเมื่อและถึงเวลาที่ท่านตายนะท่านก็จากไปโดยที่ไม่ได้มีความทุรนทุรายมีอาการเหมือนกับว่าได้ทิ้งสังขารไว้นะวางสังขารเอาไว้แล้วก็ไปด้วยความรู้สึกที่เบานะอันนี้ก็เป็นเป็นการบ้านนะที่จะฝึกเรานะว่าเราจะอยู่อย่างไรนะแล้วว่าการอยู่ของเราก็สําคัญนะเพราะว่าถ้าเราอยู่ไม่เป็น นะในเวลาเจ็บเวลาป่วยนะเราก็ป่วยอย่างทรมานพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะหน้าที่หนึ่งของมันนะหน้าที่สําคัญคือการที่เราได้ช่วยให้เราเนี่ยหวนระลึกนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วการระลึกนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายหรือไม่ดีนะบางคนอาจจะสงสัยว่าผู้เจ้าสอนให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันแล้วทําไมจะต้องมีอ่า การไม่มีให้มีกิจกรรมที่ชวนให้เราลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตนะที่จริงเนี่ยครูเจ้าได้สอนว่าเราต้องเกี่ยวข้องกับอดีตอดีตให้ถูกนะถ้าเรานึกถึงอดีตด้วยความอาลัยอาวรณนะ์นั้นไม่ถูกนะบุคคลไม่ควรตามทิศถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลายัยนะนึกถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอาลัยก็เพราะว่าไม่มีสติมันก็เลยเกิดความอาลัยอาวรณ์ ไม่รู้จักปล่ไม่รู้จั ก, กวางแต่ถ้าเรานึกถึงอดีตสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยสติด้วยปัญญาอันนี้นะเป็นสิ่งที่พระเจ้าสนับสนุนนะเช่นเดียวกับการนึกถึงอนาคตเนี่ยบุคคลไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่มาไม่ถึงถ้าเรานึกแล้วพระวงคนะอันนี้ผิดอันนี้แปล ว, ว่าเรากําลังทําด้วยความหลงแต่ถ้าเรานึกถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นด้วยสติ ปัญญาก็จะเกิดได้นะหรือทําให้เราไม่ประมาทเช่นเวลาเรานึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเรากับเราในวันข้างหน้านึกถึงความเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นกับเราในวันข้างหน้าซึ่งอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้จะเป็นไตาวายก็ได้จะเป็นเบาหวานก็ได้อันนี้มันอนาคตทั้งนั้นไม่รู้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่การนึกถึงแบบนี้เนี่ยถ้าเรานึกถึงเป็นนะมันมีประโยชน์ก็คือทําให้ไม่ประมาทนะ ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยถามใจเราว่าเราพร้อมหรือไม่เราจะอยู่กับมันได้ไหมนะเราจะทุรนทุรายกระสับกระสายหรือเปล่าเมื่อต้องเจ็บต้องป่วยเมื่อเรานึกแล้วว่าเราต้องเจ็บต้องป่วยในวันข้างหน้าเราไม่ได้เร่งทําความเพียงแ ต, แต่วันนี้นะคะที่เรายัางมีสุขภาพดีหรือว่าเร่งเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรับมือกับมันนั่นเป็นเรื่องนั่นเป็นท่าทีที่ถูกต้องเจออนาคตส่วนท่าทีที่ถูกต้องเจาออดีตคือว่าไม่ใช่ว่าไม่ต้องนึกถึงมันนึก แต่ต้องนึกให้เป็นก็คือว่าหาประโยชน์จากมันเอาเป็นบทเรียนเป็นคติธรรมนะซึ่งจะทําให้เราเนี่ยเกิดปัญญานะก็เป็นอนุสติฐานหนึ่งนะที่เราควรจะรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์อภิพิภัณฑ์นี้ก็ไม่ใช่เพื่อให้เราเนี่ยมาอะไรอาววรกับการจับปลายของหลวงพ่อแต่เพื่อให้เราได้อสาบบอย่างากับท่าน ซึมซับรับเอาธรรมะที่ท่านได้แสดงให้เราดูแล้วก็อยู่ให้เราเห็นนะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะจึงได้จัดให้มีพิพิธภัณฑ์นะในลักษณะนี้ขึ้นมาซึ่งก็ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะเพราะว่ า, ายังมีอะไรที่ต้องทำอีกหลายอย่างนะเช่นสิ่งที่จะช่วยให้เราได้รู้ว่า ช่วมงสุดท้ายคุหลวงพ่อเนี่ยเป็นอย่างไรท่านรับมืออย่างไรนะกับความตายที่ใกล้เข้ามาเนี่ยอันนี้ก็ก็น่าจะมีนะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าการรับมือความตายนะั้นเนี่ยถ้าเราใช้สติใช้ปัญญานะมันก็ทำให้ความตายไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวมันก็กลายเป็นธรรมดาธรรมชาติอ่ะแล้วก็นะเช้านี้ก็จะนิ ม, มนต์นะ อาจารย์ทรงศิลแล้วก็อาจารย์ตุ้มได้มาพูดนะถึงเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นะไม่เป็นอะไรกับอะไรเพื่อเป็นส่วนของการเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการนะแล้วก็อันนี้เป็นภาพสนทนาธรรมแล้วก็เราจะาจบลงด้วยภาพพิธีกรรมนะสั้นๆ น, น, นะนาอกจากนันแล้วกจะเป็นพรญาติโยมแล้วก็บ้างฟังอาจารย์เบสานได้แสดงออกเป็นออการพูด เราอยู่ในช่วงของฤษฤษษษษกิจกรรมการเดินตามรอยตามรอยไม่ใช่เหยียบรอยหรือว่าวัดรอยคือหลวงพ่อท่านก็มีคุณธรรมมากมายคะัที่แสดงออกทางกายวิยจายใจ<ม>เราเห็นว่าเราพร่องแล้วว่ารับทันน้อมรับมาทันหลายอย่างที่เราเคยเห็นในขณะที่ท่านมีชีวิตท่านแสดงออก จะปล่อยวางอย่างเช่นข้างๆนี่ก็มีห้องน้ำอยู่ด้วยนะเราทำบัดสจดมนกันตรงนี้แล้วก็ฟังเทศฟังธรรมตรงนี้บางครั้งบางคราวจะมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเข้ามาตอนเช้าขณะฟังเทศฟังธรรมก็เข้าห้องน้ำแล้วก็ตะโกนมาว่าโอ้ยน้ำไม่ไหลห้องน้ำเต็มอย่างเงี้ยตะโกนมาหลวงพ่อนังเทศเทศเสร็จท่านก็ ถอดพีบอลลงแล้วก็เดินลงไปนะมือก็ไม่มีถุงมือนะท่านก็เอาไม้เอาเสียมแง่เลยโผ่ซ่วมนะเสร็จแล้วท่านก็มองๆแล้วก็มือล้วงไว้เลนยนาโยนท่านวางใจฮะแล้วท่านก็ไม่ได้ปล่อยทิ้งไปล้างเลยนะงานท่านก็ทําต่ทําแบบนิ่งมากเลยน้องรองรอยมีเยอะมากถ้าจะพูดวันนี้สิบห้านาทีก็ไม่จบที่มาของพิพิธภัณฑ์หลังนี้ ตรงนี้จุดนี้เป็นที่อยู่ของหลวงชิดทองบนน้่มหรือว่าจย์กำพลเป็นที่แรกเลยที่จะสร้างเป็นกุฏิให้แต่ด้วยความที่หลวงชิดบอกว่าตรงนี้มันใกล้ที่ทาวัดสดมนไปไม่สะดวกใจต้องทานข้าเย็นกันบ้างก็เลยไปใช้สอนหนึ่งตรงข้างตำแหน่งงานไตลักษ์ตรงนี้ก็หลวงพ่อถมที่ไ้ให้เฉยๆหลังจากนั้นหลวงพ่อป่วยเป็นมะเร็งครั้งที่หนึ่งก็ มีการดําเนินกว่าจะทําเป็นกุฏิให้หลวงพ่อได้มาพักฟื้นคุณปอณันานายก็บอกว่าเอาหลังคาสีเขียวนะคุณปอณั น, านายเจ้าของวงจุ้ยสีเขียวอาจารย์วาเทพบอกว่าทําแล้วต้องให้ลูกศิลูกหาลาเดินได้ ร, บรอบๆจะได้ดูหลวงพ่อเขียนตอนท่านหลับขันเหนือละสังขารไปหมอคุณปอนายบอกว่าขอแอร์เย็นๆหน่อยเพราะว่าหลวงพ่อชอบความเย็น ที่นีเยนอยู่แล้วแต่บางครั้งบางขนาดมันร้อนขอห้องน้ําใหญ่ๆนิดหนึง่งให้พระประยงค์หลวงพ่อเข้าได้สองรูปนั่นจะมีที่มาที่ไปเราก็จัดเอาความเห็นของคนต่างๆมารวมกันแล้วก็สร้างให้เสร็จภายในหนึ่งเดือนนะต้องเสร็จสร้างเสร็จภายในยี่บเอดวันใช้ไม้ทำก็คิดอยู่เหมือนกันว่าทางขึ้นทางลงควรจะเป็นยังไงถ้าหลวงพ่อ หมดลมไปแล้วจะต้องหามลงจะหามลงยังไงถ้าเป็นบ้านชาวบ้านก็จะลื้อฝาลงนะ้เอาลงยื่นออกมาไม่ได้ลงทำบันไดชาวบ้านอันนี้เราไม่ต้องเอาฝาออกจะทําทางลาดลงมาก็เป็นอย่างที่นึกเอาไว้ตั้งแต่ต้นเราเคยนึกเอาไว้ว่าถ้าหลวงพ่อหมดลมไปแล้วนะจะดีแล้วหลวงพ่อถูกเผาไปไม่ได้อยู่แล้วเนะี่ยว่าจะหาขุนที่พึ่งมาวาง หลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อแม่หลงพ่อตายนะผมจะเอาหลวงพ่อเป็นคุนที้พื่งวางไว้อย่างนี้นะหลวงพ่อท่านบอกว่าไงรู้ไหมท่านบอกว่าหลวงพ่อไม่ต้องการมีตัวตนนะมีทัศการก็ไม่องจัดให้หลวงพ่อนะจัดบอดจัดอะไรหลวงพ่อพูดอย่างนี้ยไม่เอาเลยหลวงพ่อขอดาเนินตามรอยของหลวงปู่เทียนท่านพูดว่าหลวงพ่อเทียนนะ ไปแบบมีสติมีการปล่อยมีการวางหลวงพ่อก็ทําได้นะจันทนาตรงเนี้ยมีบทหนึ่งท่านพูดประโยคนี้ขึ้นมนาะเคยมีฝรั่งถามท่านว่าท่านเป็นศิษย์หลวงปู่เทียนนะท่านมีคุณธรรมอะไรบ้างแบบหลวงปู่เทียนไหมหลวงพ่อสคำเสียงมันตอบฝรั่งว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นศิษย์หลวงปู่เทียนพ่อเทียนสอนให้รู้รูปนามหลวงพ่อก็รู้เรื่องรูปนาม หลวงพ่อเทียนสอนให้มีความรู้สึกตัวท่านจะมีความรู้สึกตัวหลวงพ่อเทียนท่านสอนให้เกิดปัญญาท่านจะมีปัญญาท่านทำได้พลังคนนี้ก็ตามมาปฏิบัติที่วัดป่าสุกโตจากภูเก็กนะตเห็นไหมเราฝึกปฏิบัติรำเราได้เห็นว่าสิ่งที่มีอยู่ในตัวครูบาอาจารย์เราก็จะต้องน้อมนํามาเป็นที่เราในะท้ายสุด ความศรัทธาเราก็เปลี่ยนศรัทธาอย่างตั้งทำตามแต่กับทำสร้างความสุขตัวเจริญสติอันนั้นจะมีการเดินตามรอยและท้ายสุดก็คือคุณธรรมต่างๆที่ท่านมีก็จะคงปรากฏเมื่อทําถึงถึงธรรมอย่างนี้นะประเด็นข่าวครั้งนี้พี่วิพันธ์ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราลึกถึงราวครั้งหนึ่งมีบุคคลคนนี้รู้เรียกว่าปู่ชนีญบุคคลอยู่ในวัดนี้แล้วก็ท่านทําอะไร รองลอยต่างๆมากมายปลูกไผ่บ้างปลูกพืชต้นไม้ชาบ้านสารนะต้นไม้ลหลายๆต้นเดินผ่านมาก็เห็นรอยเมือของท่านนะมันตัววันตัวคืนแล้วก็เป็นล่มเราแล้วก็ประโยคด้วยอย่างนี้นนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่วันนี้แค่นี้เท่านั้นแต่ว่ามันเป็นท้ายสุดในวันตายของเรามลมหายใจสุดท้ายนะมันเป็นข้อสอบใหญ่หลวงพ่อท่านก็ผ่านไปแล้วแต่เราจะผ่านหรือไม่ เ, นะเราต้องตอบใน ต, ตัวเราเองกัน เพราะนั้นในวันนี้นะเป็นวันที่เราก็มารวมตัวกันระลึกถึงท่านท่านกับผมก็ขอคล้ายๆกับว่าใช้คำพูดว่าจะใช้กายว า, ายใจนะเพื่อให้เกิดคุณงาความดีแล้วก็ให้เป็นเรื่องประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเกิดสันติสุขสันตภาพนะ ใ, หา ใ, หาให้มากไปมากได้โดยเฉพาะเรื่องของหลวงพ่อ มันจะต้องมีในตัวเราด้วยแน่นอนถึงเรียกว่าศักดิ์ากจริงเราขอให้สิ่งนีน้มีอยู่ในตัวเราทุกคนที่มาร่วมในงานนี้ทุกท่านแล้วได้เกิดในเร็ววันนี้โดยทุ น, ททา น, ททนอาจารย์ทุกท่านทุกรูปทุกนามเตือขอนุมนอาจารย์ตุ้มนะเพราะว่าท่านเป็นหวัวเรียวหัวแรงใหญ่ในการทำพิพิธภัณฑ์นี้นะท่านก็จะรู้ก็จะแนะนําอธิบายได้ว่าพิพิธภัณฑ์นี้เนะี่ยมีอะไรบ้างนะแต่ว่าเวลา ที่มีคงจะไม่มากพอต้องไปดูของจริงนะแต่ว่าเราจะไปดูหลังจากที่ท่านได้เรามีพธิธีเปิดกันแล้วลขา้าพระองครับพระจจันติสาแล้วก็พระเทรานุเทละนะครับครูบาอาจารย์ทุกท่านก็เ <c oughs> จริญพรพวกเรานล้วแม่ชีแล้วก็ญาติโยมพิธทหันหลวงพ่อก็จะจัดในวาระแรกเนาะในวาระแรกอันนี้พวกเราได้ขึ้นไปเห็นก็จะได้เห็นเหมือนกับมีภาพมีภาพกัหลวงพ่อ เมื่อเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายนี้ตั้งแต่กลับเข้ามาที่วัดปู่เขาทองแล้วก็ในช่วงวันที่26มีนาณนะ์จกนกระทั่งท่านละสังขารในวันที่23สิงหาก็จะเป็นจะเป็นการประมวลเรื่องราวของท่านเฉพาะช่วงสั้นๆเท่านี้เองในช่วงต้นนี้เนะาะก็จะเป็นสิ่งที่หลวงพ่อก็จะมีธรรมะ มีเขาเรียกว่ามีอิเลียบทต่างๆให้เราได้เรียนรู้ในส่วนที่แสดงออกตรงนี้ก็อาจจะมีได้ไม่มากนักเนะแต่ก็พยายามที่จะจัดการเ อ, อเขาเรียกว่าแสดงออกให้มากที่สุดเท่าที่เท่าที่จะจะสามารถทำได้พระอาจารย์สุรินทร์ท่านก็ได้บันทึกภาพเอาไว้ตั้งแต่แบบลดลด พยาบาลมาถึงที่วัดปูกรธองตรงนั้นนะหลวงพ่อลงมาหลวงพ่อมีอาการกริยายังไงในตำนาะนตรงนี้ก็อยากให้พวกเราได้ได้ดูกันดูกันในส่วนของภาพจะมีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเป็นภาพที่อออกมาเป็นรูปติดไว้ที่ป่าผนังเนาะก็จะมีเรียกว่ามีหลายๆตอนตั้งแต่หลวงพ่อป่วย ในปี49ก็จะมีให้เห็นเนาะตอนนั้นอ๋อเราก็จะได้เห็นภาพบางภาพที่ออหลวงพ่อเป็นแบบนี้แบบนี้อย่าแงบบนี้นะพอในปี57เนาะในปี57ปีที่แล้วหลวงพ่อก็เป็นยังไงมันก็จะมีตัวหนังสือที่หลวงพ่อเขียนเนาะอยู่หลายตอนที่เราก็คัดออกมาแสดงให้พวกญาติโยมบางตอนที่หลวงพ่อเองก็อาจจะมีเ้าเรียกว่า มีโรคภัยไข้เจ็บโรค ก, กวนตัวหนังสือของท่านก็อาจจะก็เรียกว่าไม่สวยงามนักเนาะแต่ว่าท่านก็พยายามที่จะใช้โอกาสเนาะใช้ร่างกายเท่าที่ก็เรียกว่าท่านสามารถใช้ได้เนี่ยบอกพวกเราบอกธรรมะกับพวกเราแล้วก็บางตอนที่ท่านแข็งแรงดีตัวหนังสือท่านก็จะเขียนต่อเนื่องกันได้หลายๆแผ่นตัวหนังสือก็สวยงามเป็นระเบียบดีหรือว่าแม้กระทั่ง ในช่วงลมหายใจสุดท้ายของท่านที่ท่านก็เหมือนกับสังขารมันมเขาเรียกว่าใกล้จะแตกดับเนาะสังขารมันก็คงเหลือให้ใช้ได้น้อยที่สุดแล้วท่านก็พยายามที่จะรวบรวมเอาสังขารเท่าที่มีเนี่ยเขียนตัวหนังสือบอกลาบอกลาพวกเราซึ่งตัวนั้นก็ให้พวกเราได้ลองสังเกตสังเกตตัวหนังสือต่างๆก็จะมีเขาเรียกว่าเราก็จะได้เห็น เป็นภาพหลวงพ่อนอนตามไปแต่ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือเป็นแบบไหนหรือว่าจะเป็นขณะที่ท่านอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บรบ ก, กวนบ้างในขณะที่ท่านก็แข็งแรงบ้างในขณะที่ท่านก็เขาเรียกว่ากําลังจะจากไปบ้างแต่นั้นทั้งหมดก็คือท่านก็ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่ว่าท่านก็ได้พยายามเนาะได้พยายามนั่นนั่นคือตรงเนี้ยก็เวลาที่เราขึ้นไปดูก็อยากให้อยากให้ดู มีช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่หลวงพ่อก็ดูสดใสขึ้นมาเนาะพระจารย์เทสารก็ได้กล่าบเรียนหลวงพ่อบอกว่าให้ให้หลวงพ่อเนี่ยได้เหมือนกับว่าได้บันทึกนะการสอนธรรมตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่ออยู่กับหลวงพ่อเทียนท่านก็บันทึกเอาไว้ได้เจ็ดแปดแผ่นนะตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าก็ได้เห็นภาพอย่างที่เมื่อก่อนนี้หลวงพ่ออยู่กับหลวงพ่อเทียน ไปกับหลวงพ่อเทียนได้เจออะไรยังไงบ้างตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเราก็ได้เห็นนะอดีตในหลายปีแล้วก็เห็นปัจจุบันขณะไปด้วยนั้นนั่นคือตรงนี้ก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้ได้อาศัยได้อาศัยเหมือนกับสิ่งต่างๆที่ได้จัดแสดงเอาไว้ให้เนี่ยได้ระลึกถึงหลวงพอ่อแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่พยายามนาเสนอก็คือไม่ได้นาเสนอตัวหลวงพ่อเนาะแต่ว่านาเสนอธรรมะ ที่หลวงพ่อเนี่ยได้แสดงออกแล้วก็อยากให้เหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยได้เหมือนกับได้ศึกษาธรรมะผ่านรูปก็ดีผ่านข้อเขียนก็ดีแล้วก็ตรงนี้นะถ้าเกิดว่าพวกเรามีความเห็นกันว่าเออในส่วนครั้งต่อไปอาจจะเป็นหกเดือนข้างหน้าแปดเดือนข้างหน้าเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนนิสัการอีกครั้งหนึ่ง ตรงนี้จะเป็นนิศการเรื่องอะไรอยากจะให้นำเสนอหลวงพ่อในเรื่องไหนก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้เหมือนกับอาจจะช่วยออกความเห็นกันเพราะเนื่องจากว่าเหมือนกับเรื่องราวของหลวงพ่อก็มีนะมีเยอะแยะไปหมดเพราะว่าหลวงพ่ออยู่ที่นี่มาก็เกือบ4ี่สิบปีนั่นนี่คือตรงนี้ก็หลายๆปีของหลวงพ่อก็ได้มีผลงานมีบทบาทมีอะไรต่างๆนานาที่ชีน้นา ว่าท้ายที่สุดตรงนี้ก็อยางพวกเราได้เห็นว่า <c oughs> มันมีคำคาในภาษาธรรมเนาะที่บอกว่าบรรลุธรรมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าได้ได้เห็นหลวงพ่อได้เห็นหลวงพ่อเนี่ยได้ได้เห็นคำว่าบรรลุธรรมผ่านอากับกิริยาของหลวงพ่อเหมือนกับว่าคนนี้เนาะบุคคลคนนี้คือหลวงพ่อเนี่ยไปถึงธรรมแล้วเนาะ ท่านคือท่านถึงละบรรลุเนี่ยหมายถึงว่าถึงทํำแล้วแล้วก็สิ่งต่างๆที่เป็นอากัปกริยาของท่านก็ดีการกระทําของท่านก็ดีผลการกระทําของท่านก็ดีหรือข้อเขียนข้อธทำของท่านก็ดีตรงเนี้ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทุกความเคลื่อนไหวทุกลมหายใจก็แสดงถึงเขาเรียกว่าธรรมะเนาะเป็นธรรมะที่สามารถบอกสามารถสอนพวกเราได้ทุกอย่าง ตรงนี้ก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้ศึกษาตรงนี้แล้วก็ให้พวกเราเนี่ยได้เหมือนกับได้มีศรัทธาในธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็ตามรอยหลวงพ่อไปให้ถึงก็เรียกว่าได้บรรลุธรรมด้วยกันทั้งหมดทุกท่านก็ขอเจริญพรจากนี้ไปเนี้ยเราจะไปสวดน ะ, ะชยันโตนะเพื่อเป็นพิธีกรรมสำหรับการเปิดอ่า พิพิธภัณฑ์นี้นะเดี๋ยว อ, อนามมิอนพวคุณเจ้าหลงไปที่หน้ากุติหลวงพ่อแล้วพวกเราก็ยาดโยมแม่ชีก็ไปด้วยนะแล้วก็ไปร่วมสดมนนะเพื่อเป็นกำลังใจนะให้กับพวกเราในการที่จะตามรอยหลวงพ่อรวมทั้งเมื่อจะต้องเจ็บป่วยนะไม่ว่าป่วยหนักหรือป่วยเบานะก็ให้ทำได้อย่างหลวงพ่อนะ